ขอโมตนาสาธุการละท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสิทยสูตรเป็นประสูตรที่พระเจ้าทรงประรบด้วยอัธยาศัยของพระองค์เองคือมีพระประสงค์จะแสดงธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่ในขณะนั้น ก็ได้ประรบว่าเวลามีคนในลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็มาสอบถามถึงเรื่องกิเลสใหญ่สามกองคือราคโทสะโมคะว่าอะไรมีโทษมากอะไรมีโทษน้อยก็ให้ตอบว่า ราคานั้นมีโทษน้อยแต่ว่าคลายช้าโทสะนั้นมีโทษน้อยมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยแล้วก็คลายได้ช้าด้วยทีนี้ถ้าเขถามทั้งที่เกิดราคาโทสะโมหะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วถ้าจะดับมันก็ดับได้ยังไง เต้องสอนว่ากิเลสประเภทราคะนั้นเกิดขึ้นด้วยอสุภสัญญาหรืออสุภานิมิแตแปลว่าจิตที่ไปกำหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรานาน่าพอใจรูปนั้นสวยเสียงไปรอกกินอมรถอร่อยสัมผัสน่าจับต้องโทสะนั้นเกิดขึ้นมาจากปฏิฆะนิมิต คือมองในแง่ร้ายบุะหะเกิดขึ้นมาจากการไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดให้รอบขอนจะถามาการดับมันจะดับได้ยังไงตอบว่าราคานั้นจะดับได้โดยการมองที่เรียกว่าอสุภะคือมองให้เห็นเป็นความไม่สวยไม่ ง, งาม โทสะจะดับได้โดยเมตตาเจโตวิมุตต์แล้วก็โมห oh ะจะดับด้วยโยนิโสวันสิการอันนี้ก็เป็นใจความโดยย่ อ, อ แ, แสดงไ้สามตอนก็ อ, อย่างที่เราเจอเขาเรื่อยๆนะฮะกิเลสสามกองเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระสงค์ตัวโลภะก็เปลี่ยนมาเป็นราคะ แต่าเทศกับชาบ้านนะฮะราคะนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นโลภะซึ่งโดยเนื้อหาแล้วเป็นเรื่องเดียวกันกิเลสประเภทโลภะหรือราคะราคะเราแปลว่าความกำหนัดความพอใจรักใคร่โลภะแปลว่าความโลภความละโมบความอยากได้มันก็คือคือกันนะเป็นกิเลสประเภทไขว้วปราธนา เพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็ น, เ ป, นเป็นความรู้สึกที่มุ่งจะสนองตอบความต้องการของตัวเองเป็นหลักหมายความอะไรก็ตามที่ตัวเองชอบสิ่งนั้นตัวเองก็อยากได้ซึ่งจะดีหรือไม่ดีที่จริงมันไม่แน่นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตคือเรามีโมหะมากหรือโมหะน้อย แต่ถ้าโมหะมันมากมันก็อยากได้ในทางที่ิตก็ไม่รู้อะไรแหะอยากเสพอยากกินยาม마่อยากอะไรก็ว่าเลยแต่จริงๆมันก็เป็นเป็นราคะเป็นโลภะแต่ว่ามันมีโมหะมากเลยก็อยากไม่รู้เรื่องมันก็บรล่นเมาส์อยากเล่นไฟนะไรนะเราจะเห็นว่ามันก็มีโมหะอยู่เยอะทีนี้ถ้าบรรจางถ้าโมหะมันจางความอยากมันก็มีทิศทางเดินไปเรื่อยๆ ถึงอยากทำความดีอยากเกิดในสวรรค์อยากบรรลุพระผลนิพพานที่จริงมันก็อยาก น, นะะแต่ก็มีเหตุผลมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะกิเลสประเภทนี้จะเป็นโลภะก็ตามราคะก็ตามเป็นความอยากที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเอง จะมีการดิ้นรนโกลนขวายตามแรงของความอยากราจะทำความโชคก็ได้ทำความดีก็ได้เพื่อได้สิ่งที่ตนอยากวันก่อนนี้มีเมื่อเมื่อวานนะมีการประชุมครูบาอาจารย์หลายท่านก็จะมาประรบถึงความคิด ความรุนแรงของคนในยุคนี้ว่ามันแรงเหลือเกิน ค, คือแรงจนน่ากลัวนะฮะเช้าก็อ่านข่าวสองจังหวั ด, จ, ว ด, ด, ดจังหวัด อ, อุดรกับจังหวัดนครเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดจับเด็กผู้หญิงไปโซมเด็กตั้งแปดคนผู้ชายทั้งแปดคนผู้หญิงคนเดียวน่ากลัวมากที่อุดรก็เหมือนกันแต่อุดรผู้ชายน้อยกว่านั้นคือสรุปว่า ไอเนี้ยคือคือมันก็ดับอนาคตตัวเองะฮะเด็กอายุเพิ่งสิบกปีแต่นั้นเองอนาคตก็ดับไปนั้นมายความโมหะมันมากแต่มันคุมราคาไม่ได้เพราะถ้าโมหะมากมันคุมไม่ได้นะฮะราคามันคุมไม่ได้แล้นพฤติกรรมมันก็รุนแรงรุนแรงมันก็รุนแรงยิ่งกว่าสัตว์เด็กรุนแรงบางทีมันรุนแรงยิ่งกว่าสัตว์ที่ไชั เพราะอะไรเพราะว่าวสภาพไปดล้อมในชีวิตจริงๆของมนุษย์มันกระตุ้นโลภะราคะเนี่ยมันกระตุ้นเยอะชีวิตเราอยู่ในวดวงของการปรุงแต่งเพื่อกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะแตวถ้าโมหะมันมากเราก็คุมไม่ได้คุมไม่ได้การดิ้นรนขวนขวายเพื่อแสวงหาบางทีก็ผิดที่ก็เลิดเปิดเปิงเงินไปใหญ่ นี้แม้จะได้มาแล้วมันก็จะมีการกำหนัดยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเพลิดเพลิดในสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในกระบวนการของมันในลึกๆเองมันก็มีความห่วงใยมีความดิบตกกังวรมีความหวาดกลัวภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือคนอันเป็นทิรักของตนพอสิ่งเหล่านั้นพราาๆจริงๆม่นเกิดทุกข์ แล้วก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเกิดแล้วเขก็มีการข่อยความปรารถนาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่จะพอนะในขณะเดียวกันเมื่อได้มาแล้วถือครองแล้วก็จะมีความมีตัวกังวลคือมีทุกเนี่ ม, มากทุกในการดูแลรักษา ในการป้องกันในการรักษาในการต่อสู้เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์แก่สิ่งที่เราเรารักใครพอสิ่งเหล่านั้นพรากไปมันก็เกิดเป็นความโศกหรือความทุกข์เกิดเป็นความข้บแคลนก็นแล้วแต่จะแรงขนาดไหนกิเลสประเภทนี้ แล้วก็มีโทษอ่ะโทษน้อยเพราะเป็นกิเลสประเภททนุทนอมก็จุกก็จิ ม, มนะฮะจะเห็นว่ามันไม่ทำลายหรอกถ้ายังเป็นโลภะถ้ายังเป็นกามรักข์แต่บางทีมั น, ม, น, ม, นมันมีลักษณะของกรณีพิพาทจะเห็นว่าถ้าวัตถุเดียวกันแล้วคนคนเดียวกันคนอยากได้หลายคนเนี่ยพะแรงด้วยกันเนี่ย คนกับคนอาจจะทำลายกันเองหรือว่าทำลายสิ่งที่ที่เราอยากได้บางครภาพมัน ก, นกเด็กแย่งตุ๊กตากันนั้นแสดงว่าตุ๊กตาตัวเดียวแต่เด็กมันหลายคนก็แย่งกันไปแย่งกันมาก็เลยไม่ไม่มีคนได้เกิดตุ๊กตาถูกทำลายแต่บางทีมันอาจจะชกต่อกันเอง แล้วใรชนะก็ได้ตุ๊กตาไปเพราะฉะนั้นภาพอย่างที่เคยเล่าความมโหสถเจ้าท่านท่านนั้นเกิดความคิดตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนั้วเกิดความคิดจากจากอีกาที่มันแย่งชิ้นเนื้อกันอีกาสหนึ่งตัวจูบชิ้นเนือ้อไปตัวที่สองเข้าแย่งตัวที่สามเข้าแย่งแย่งกันไปแย่งกันมาหล่นหล่นไปถึงก็หมาแย่งต่อหมาตะครุบหมาตัวหนึ่งตะครุบไม่ทันได้กินอีกขึ้นเข้าเ ข, เขาแย่งอีตัวที่สามเขแย่งกบฟ้าดกัน นั่นคือภาพที่พระเจ้าทรงเหน็นมาวัตวัตุกรรมเมื่อก็ชิ้นเนื้อแย่งกันไปแย่งกันมาจนเละหมดเลยแล้วก็บาดเจ็บล้มตายกันไปเพราะแย่งวัตุกรรมทั้งหลายนั่นคือประกาศความคิดครั้งแรกของเจ้าชายติตะตัพติตอนติตอนเชี่ยวประพาอุทยานกนัชนะนะฮะเริ่มเห็นเริ่มเริ่มเห็นภาพแล้วก็เริ่มคิดถึงถึงโลกถึงชีวิตว่ามีการยื้อแย่งเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองในเรื่องวัตุกรรมแล้วก็ มันจะขาดการปัญญาปัญยางแต่โดยเนื้อหาของเขาเองนะฮะหมายความว่าถ้าไม่ค่อยมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวเนี่ยจะไม่แรงเราจึงไม่พบว่าอาจจัจฉากรรมแรงๆที่เกิดขึ้นจากราคะแต่ถ้าเกิดมันเกิดเป็นโทสะนะฮะมันจะเกิดเป็นราคะถ้าใจยังรักยังโลภอยู่แล้วจะไม่ถึงกับทำลายแต่ถ้าคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่แน่ แต่ตอนกระื่ u นเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นโลภะในสิ่งที่เราอยากได้แต่เป็นโทสะในคนที่มาแย่งมันเกิดกิเลสซ้อนกิเลสขึ้นมาแล้วก็มีโมหะเพิ่มขึ้นด้วยกันทั้งสฝ่ความแรงมันเกิดขึ้นแล้วจึงบอกว่ามีโทษโทษน้อยแต่ว่าคลายช้ากิเลสประเภทราคะมันจางไปยากะนะฮะ บางทีหนุ่มสาวชอบกันแล้วก็ผิดหวังวก็ถายกันไปอายุเจ็ดสิบแล้วมาเจอกันยังงอนกันเลยอนะสแสดงโอ้โหมันมหาสาลมากๆเลยใช้เวลาตั้งหกสิบปีกว่าฮนะยังไม่หายเลยมันะแสดงว่าเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าโทษมันมันมันมันไม่แรงหรอกแต่ว่าคลายช้าในระดับพระรยาบุคคลถ้าเรามองลึกๆที่พูดตะกี้เนี่ยตอนตอนกรรมฐานเนี่ย จริงในข้อที่หกเนี่ยมันมีรูปปรารักะข้อที่เจ็ดมันเป็นอรูปปรารักะสังโยชน์สิทธะกี้นี่นะฮะก็เป็นกิเลสประเภทโลภะเพียงแต่ว่าท่านเรียงอย่างนั้นมั น, ม, นมันเป็นรูปปร า, า, ารักะรูปราคะในสิ่งที่เป็นนามธรรมคือรูปฌานอะรูปฌานมันเพิ่งก็เพินเป็นผลก็คือความสุขที่ตัวได้จากฌานก็ยังติดอยู่ในสิ่งนั้นแค่การติดของอุทกดาบด อาวดาบกาุรามโครุทกดาบดุรามบุตรอ่ะที่จร่งมันเป็นการมรารักะแต่มันจะมันติดในสุขเวทนามันไม่จะติดในส่วนที่เป็นรูปธรรมแจะถามว่าสุขเวทนานั้นเป็นเป็นการเปล่าก็เป็นการเป็นการคือเป็นสิ่งที่เราใคราเราปอยใจเราสยกติดเราเดเฟรดมีโทษน้อยนะฮะแต่คลายช้าปัญหาในโลกก็เรียกกามรมาวัจระปู ป, ปัญหาตรงนี้ปัญหาอยู่ที่การมราคะปัญหาอยู่ที่โลภ รุนแรงก็รุนแรงตรงนี้นะฮะรุนแรงก็รุนแรงตรงนี้บันเทาก็บันเทาได้ตรงนี้ทีนี้กิเลสประเภทโทสะเป็นกิเลสประเพพภทประทุษร้ายอาจะเรียกว่าโกรธแปลว่าโกรธอาจจะอ่ารติแปลว่าไม่ยินดีอาจจะเรียกว่ากุกรุจะแปลว่ารำคาญอาจะเรียกว่าปฏิฆะอะไรก็ได้นะฮะคือคือการเรียกเนี่ยพระเจ้าทรงใช้เยอะคํานี่ยมันเยอะเลยคําช้เรียกกิเลสแต่ละตัวนี่เยอะ ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นสื่อให้คนเกิดความเข้าใจส่วนที่สองเนี่ยคือความเข้มข้นมันต่างกันความเข้มข้นมันต่างกันเช่นอารติกับปทุสรายเราจะเห็นว่ามันมันมันมันต่างกันนะนะฮะไม่ยินดีนี่ไม่ถึงก็ต่อยเขาหรอกแต่ปทุสรายเนี่ยไม่แน่อาจจะต่อยเลยอาจจะด่าเลยอาจจะคว้างปาอาจจะฟันเลย เพราะฉะนั้นทั้งทั้งทั้งก็เรียกอรติแปลว่าไม่ยินดีไม่ชอบใจไม่ต้องการมันไม่แรงอะไรแต่ถ้าโทสะอะไรปัทธร้ายเราเรียกตามอาการของกิเลสเป็นกิเลสประเภทปฏิเสธปฏิปเสธอะไรปฏิเสธวัตถุ ก, กรรมนะแต่ให้ลองสังเกตว่าการที่เราปฏิเสธนที่จริงเราป่อยคว้ามันเหมือนกับเราเราเร า, เราตัก อาหารในบนโต๊ะอาหารเนี่ยอาหารบางอย่างเราไม่ชอบเราก็สายไปที่อื่นแม้ความไปชอบที่อื่นแสดงว่ามันมีกิเลสวิ่งไล่กัน อ, อยู่สอตัวเป็นโลภะกับเป็นราาักะแต่อาการที่ปรากฏก็คือคือคือโลภะเอ้ไม่ใช่คือโทสะในที่นั้นไม่ชอบแสดงว่าไม่ชอบนั้นก็คือชอบอย่างอื่นไม่ยินดีตรงนี้ก็คือยินดีอย่างอื่นไม่ชอบสิ่งนี้ก็คือชอบสิ่งอื่น มันไม่รสกษาภาพสะท้อนอยู่เป็นกิเลสประเภทโทสะหรือโกธานะฮะก็แสดงว่าไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปก็ไม่สวยเสียงก็ไม่ไพเราะกลิ่นก็ไม่หอมรสก็ไม่อร่อยสัมผัสก็ไม่น่าจะต้องเราก็ไม่ชอบแต่ก็หมายความว่าเบื้องหลังจริงๆมือชอบแสดงอะไรแสดงว่าเราอยากได้รูปที่เราชอบ อยากฟังเสียงที่เราชอบอยากได้กลิน่น่เราชอบเป็นกิเลส ท, ที่ซ่อนๆกันอยู่ให้ลองสังเกตนะฮะวัตถุเดียวกันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างหลังนันจะมีอะไรแขวงอยู่ข้างหลังตลอดถ้าจำเป็นต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเกี่ยวข้องจะเกิดขับแค้นใจอึดอัดขัดข้องรำคาญหงุดหงิดลองนึกดูว่า เราจําเป็นต้องนั่งร่วมกับคนที่เราไม่ชอบนั่งรถเมื่อเราไปไปถึงอยุธยาในขณะเนีนะ้ไม่ถึงร้อยกิโลนะมันเจ้าอึดอัดเั้นสองสามร้อกิโลเลยเพราะอะราพราะมันเกิดโทสะรู้สึกว่าเวลาจากกรุงเทพจากอยุทยามันไกลจังเลยแต่ถ้าไปนั่งกับคนที่เรารักมันไปถึงนครสวรรค์ยังรู้สึกอ่มทำไมเร็วจังอันนี้นี่นี น, นี่คือลักษณะของกิเลสที่เราจะเห็นว่า เกิเลสประเภทโทโลภะมันเพลินประเภทโทสัมมันอึดอัดมันอึดอัดมันคับแค้นเราจะเห็นว่าที่พรพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าอุปาญาต์เรว่าความคับแค้นเนี่ยมันหมายความว่ามันโศกจนกลายเป็นโกรธโศกมากใส่ใจมากจนกลายเป็นโกรธเลยก็ซ้อนๆกันอยู่ เป็นทุกข์เป็นโศกนะฮะเป็นโรคเป็นภยัยก็เรียกทุกข์โศกโร ค, โรคภัยก็ต่อ ต, อตอกันไม่เป็นแถวไปพวกนี้ถ้าสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นแล้วเป็นไปตามที่เราต้องการนะฮะคือไม่ได้ไม่มีไม่เป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะดีใจซึ่งผิดก็ผิดกะกิเลสประเภทโลภะราคะซึ่งเราจะเสียใจ เพราะนั้นถ้าเราไม่ได้เราจะเสียใจฟัดฟากไปเราจะเสียใจแต่ถ้าโทสะแล้วฟัดฟากไปจะดีใจทําให้ได้จะดีใจดูแลแคล้ายๆกับหมดกิเลสนะฮะอันนี้คือคือคือสิ่งที่บางทีบางทีเราหล ง, งที่เราหลงเช่นเช่นมีการยกย่องยกย่องพระองรูปโอ้ดีพระอาจารย์ดีท่านท่คณะสงฆ์ให้เป็นอะไรท่านก็ไม่เป็นท่านา น, นั้นมากน้อยมันไม่ใช่มากน้อยหรอก จริงๆมันเป็นวิภาวะตัณหามันเป็นปฏิฆะมันเป็นไม่ชอบในสิ่งเหล่านั้นก็หมายความว่าชอบในสถานะที่ตัวเป็นอยู่มันก็มีทั้งโลภะทั้งโทสะเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์ท่านเอางานเอาการพระอรหันต์ท่านยังเป็นเจ้าอาวาสยังเป็นสมบัติยังทำงานพระพุทธเจ้ายัางทำงานหำลูกหำขําแล้วก็ลูกศษธทําอวดมาไม่ไม่เอาอะไรเลยก็แสดงขี้เกียจอะ แต่ว่าคนไม่รู้โอ้โหพระองค์นี้เก่งจังสันโดษจังไม่เอาอะไรเลยท่านนั้นไม่ยินดีไม่ต้องการเป็นไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการเป็นนั่นที่จริงมันเป็นวิภวัตตัณหานะครเพราะงั้นการ ก, การมองเราต้องมองอีกบุมหนึ่งว่ามันคืออะไรการการไม่ยอมทําอะไรเนี่ยที่ที่จริงไม่ใช่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนายิ่งหมดกิเลสยิ่งทํางานนะะหมดกิเลสยิ่งทางานมาก นอนน้อยพักน้อยจนะยจะยิ่งทำงานมากกิเลสประเภทโทสะจึงแรงมีมีเาเรียกว่ามีโทษมากแต่ว่าคลายเร็วนะธรรมชาติเขาเนี่ยคือคลายเร็วให้เราสังเกตว่าความโกรธมันอยู่ไม่นานนะแต่ถ้าเวลาโกรธสุดขีดถ้าหยุดตรงนั้นไม่อยู่แล้วอันตราย ทำอะไรก็ได้นะวูบขึ้นข้าพอ่อฆ้าแม่อย่างได้เลยแนวอนัอนตเดรรมเราสังเกตนะฆ่าพอ่อข้าแม่ข้าพระหารทำรายพระพุทธเจ้าทําสังฆเพศเดี๋ยมันมั น, ม น, ม น, ม น, มนเกิดจะโลไอโทสะโมหะไม่ได้เกิดจะโลภะนะฮะเกิดจะโทสะเกิดจะโมหะหรือแม้ป้าพระไปนับถือศาสน า, าอื่นแต่ยังเป็นพระเนี่ยก็เรียกอัญญสตุเตถือศาสนาอื่นก็แสดงโกรธแสดงต้องโกรธใครแรงแล้วต้องการประชดประชันอย่างแรงจ จนไปนับถือศาสนาอื่นเขาเรียกว่าอภิฐานหกคือบาปหนักหกอย่างนะก้าพ่อข้าแม่ข้าประหารทําร้ายพระพุทธเจ้าทําสังฆเภทแล้วก็ไปนับถือศาสนาอื่นเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นทั้งๆ ท, ท, ที่เพศยังเป็นภิกษุอยู่ศึกแล้วไม่ว่ากันนะนะศึกแล้วไม่ว่ากันแต่ถ้ายังไม่ศึกแล้วไปเข้าเพศนับถือศาสนาอื่นนี่ก็ถือว่า ไม่พักดีตอนท้ายต่างดาวเท่าต่างแดนแต่ว่าเวลาลดมันลดเร็วนะฮะกิเลสประเภทโทสะลดเร็วโดวยธรรมชาติใครถ้าโทสะอยู่ระดับเดียวหมายความโกรธพูดขึ้นมาบุกบุกขึ้นมาจนจนอยู่ตั้งสีห้านาทีเนี่ยฮะระดับเดียวเนี่ยตายทันทีเลยเรจะเห็นว่าประสาทแตกทันทีเแต่แ ต, แต่แต่มันจะลดเร็วโดวยธรรมชาติขึ้นมา เพียงแต่ว่าถ้าโมหะมันเข้มเพื่อลองสังเกตว่าตามปกติโดยพื้นฐานสามัญชนนะฮะสามัญชนปกติคนปกติคนปกติคนจะโกรธเฉพาะคนนั่นเองเฉพาะคนก็จะไม่โกรธสัตว์แต่คนที่ที่โทสะแรงนี่จะโกรธแม้แต่สัตว์นะฮะก็สัตว์ก็โกรธม้าเห่าก็โกรธไก่ร้องก็โกรธห่านร้องก็โกรธนกร้องก็โกรธฮะคือกโกรธไปหมดเลยบางทีฝนตกแดดออกกโกรธเลย อขนตกแดดออกแก่โกรเดินจะดุดท่อนไม้แก่โกรธเลยโกรท่อนไม้ไปเตะท่อนไม้เลยอันนี้นี่คื อ, ค, อคือแสดงว่าโมหะมันเยอะเลยโมหะมันเยอะโลภะนั้นไม่แปลกโลภะโดยธรรมชาติมันมันปรยากได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตเลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นโทสะแล้วเนี่ยจริงๆต้องเป็นเรื่องของคนท่านั่นเอง คนปกตินะฮะถ้าปกติแล้วเนี่ยก็จะโกรธเฉพาะคนแล้วคนที่ควรโกรธเท่านั้นเองมันไม่จะโกรธเปลือยไปโกรเลยแต่ถ้าคนอับปกติแล้วโกรธมั่วหมดเลยเหมือนกันโกรธแม้แต่เสาวไฟ้นฟ้านะฮะเราจะเห็นว่าคนเมาเหล้ามนถึโกรธเสาวไึ้ฟ้าเลยอันนี้ก็คือก็คืออะ้รโมหะมันมากฮรับทให้โทสะมันมากเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยเราใจหินเช่นเช่นเช่นลองลองดูตัว ตัวอย่างว่าศีลเนี่ยนะฮะศีลที่เราตํารวจระว่างในศีลศห้า น, นะเอาขนาศีลห้าเนี่ยจริงๆแล้วในราคะก็มีนะฮะโทสะก็มีโมหะก็มีไม่ได้มีอะไร เ, เลยคือมันกินเหลวไม่ได้หมดอะไรหรอกศีลห้าเนี่ยเพียงแต่ว่าโทสะไม่แรงจนถึงกับไปฆ่าเขาโลภไม่แรงจนถึงกับไปฆ่าสัตว์มาขายนะฮะว่าแล้วก็ พอประณีขึ้นไปขายสัตว์เป็นเนี่ยนะฮะขายสัตว์เป็นขายคนก็แสดงว่าโลภะมันลดลงไปจนไม่ถึงกับไปหากินขนาดนะั้นมันเกินไปแนละ้วเอาคนมาขายเอาสัตว์เป็นมาขายขายสัตว์อาวุธขายยาพิษขายเครื่องประหารเนี่ยนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลสืบเนื่องไปจากเราแล้วไปทําลายชีวิตคนอื่นไปทําลายชีวิตคนอื่นจิตใจมันประณีตมันอยากได้นะฮะแต่ไม่ถึงก็ไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปหากินอย่างนั้น ซึ่งความรุนแรงที่เราเห็นอย่างพวกขายรออินเวนิจับจับอุตลุดจริงๆเลยนะฮะช่วงนี้เดือนสองเดือนนี้จับจังเลยมากมายมหาศาลไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งเสพติดที่มีอยู่ในในในบ้านในเมืองเราเพียงแต่ว่าทำไมเพิ่งจับได้ในสองเดือนนี้นะสองเดือนนี้ 2-3 ส, สามเดือนนี้เราเห็นจังเปตทีต้งทีต้องสี่ห้าร้อยล้านนะจับได้ คือคนเหล่านี้เป็นโลภโทสะไม่ใช่โลภกมหะที่แรงโลภกมห h a ที่แรงแกมุ่งแกจะได้ฮะแต่แกไม่นึกถึงคนอื่นจะเสียหายนั้นแสดงมันแรงเป็นอะไรเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอธินาทานนั่นแหละมันเป็นผิดระดับอธินาทานแต่ทีนี้อศีลระดับอัินาทานก็มาความเราโลภแต่เราก็เราก็ทามากิากนเราถูกต้องก็ได้นะฮะก็ร่ารวยอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ว่าไม่ถึงกับไปรักขโมยทีนี้การค่าสิ่งอย่างเงี้ย่ายาพิษอย่างเงี้ยมันก็คือรักขโมยนั่นเองคือสายของของของความโลภที่แรงจนหากินในทางที่ไม่ชอบไม่ควรท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาวานิจฉาวจชาจสอนคนระดับหนระดับอุบาสกอุบาสิกาไม่จะสอนคนทั่วทัวไประดับอุบาสกอุบาสิกาแล้วสอนนะ การค้ายาพิษการค้าคนการนตระหนี่าสัตว์ปาวุธเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอันตรายทีนี้มีครอบมีครัวนะฮะมีครอบมีครั ว, รวแต่ว่าราคาไม่แรงจนถึงกับไปล่วงเกิน้ามีพัญญาขคงชายอื่นยายอื่นยนญะิงอ่นเนี่ยนะฮะกิเลสมันมีแต่ว่าท่านก็สอนในแนวคุม เพราะงั้นพอมาถึงจุดนี้อกิเลสจะไม่แรงหมดนะกิเลสจะไม่แรงหมดถ้ากิเลสแรงขึ้นมาแสดงว่าศีลหมดแล้วศีลพังไปแล้วถ้าศีลยังอยู่แล้วกิเลสมันแรงขึ้นมาไม่ได้เพราะเขาจะไม่อยู่ร่วมกันถ้ากิเลสแรงแสดงว่าศีลพังถ้าศีลยังอยู่กิเลสก็แรงขึ้นมาไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะามันเกิดจากความคิดเลยนะหมายความาความคิดโดยแรงกิเลสเนี่ยถ้าความคิดถึงสียังอยู่มันจะหยุดยั้งไว้หรือแม้แต่ว่าพวกสุราใช่มเราจะเห็นว่าสุราเป็นโลภะกับโมหะที่ชัดมากแต่ถ้าโลภะมันลดลงไปโมหะมันลดลงไปมันก็ไม่ดื่มสำรวมระวางในการดื่ม กิเลสประเภทโมหะนั้นเป็นโคตรของกิเลสนะฮะเป็นรากง่าวของกิเลสจริงๆก็ตัวเดียวอนะฮะตัวเดียวเป็นตัวอวิชาที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายไกลกองโลกนี้มันเป็นทวิภาวะคือภาวะที่ตรงกันข้ามจากเนี้ยมืดสว่างเนี่ยฮะมืดสว่างสุขทุกข์กลาคืนกลางวันนี่แหละเราคิดจะสุดเนี่ย ในใจเรามันก็มีวิชากับอวิชาต่าต่เองคือมืดกับสว่างวิชาคือสว่างองวิชาคือมืดมืดมันก็มีปัญหาสารพัดสว่างมันก็แก้ปัญหาสารพัดเหมือนี้นเพราะกิเลสประเภทโมหะจึงมันเป็นโคตรกิเลสแล้วก็ละได้เป็นคราวสุดท้ายนะฮะคนละกิเลสประเภทโมหะขาดเด็ดขาดจริงๆมีแค่เพื่อพระอราหารันต์เท่านัน้นพระอนาคามียังละไม่ได้กันนะครับ ละเขาไม่ได้เลยบรรเทาลดความรุนแรงเขาได้แต่ละเขาขาดไม่ได้เมื่อล่โมหะไม่ได้ก็ยังเกิดในภพเห็นไหมฮะยังเกิดในภพพระอนาคามียังยังเกิดอีก ย, ยังเกิดชั้นบริสุทธ์ก็ตามนะฮะแต่ว่าเกิดคือชั้นสุดถาวรเพราะว่าท่านตัดโมหะยังไม่ได้ หลักจากการโมหะเนี่ยที่ติดป็นบางเหตุผลสติปัญญาเนี่ยทำให้เกิดการท่องเที่ยวการหมุนวนพฤติกรรมของเราก็สับสนเพราะอะไรเพราะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างนะฮะที่รู้จริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มีปัญหาก็คือตอนที่รู้ไม่จริงโมหะจึงมีโทษมากแล้วก็คลายช้าคือว่าความโลภความโกรธเนี่ยมันมันมีโมหะหนุนอยู่ทางนั้น นะถ้าไม่หลงก็ไม่โลภนะฮะถ้าไม่หลงก็ไม่โลถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธให้ลองดูให้ลองให้ลองสังเกตดูนะฮะที่ที่อะไรก็ตามที่มันปรุงแต่งโดยรูปโดยสีโดยอะไรเนะี่ยเราก็เกิดจากได้แต่ถ้าเราเปิดขึ้นรู้ว่าข้างในคืออะไรเนะี่ยเราก็เอาเอาสิ่งโสกปรก อ, อะไรแต่ไรตา ม, มาห่อไว้นะ ตอนเราเห็นก็นอกเราอัจจะอยากได้เพราะเะาเพราะเราไม่รู้มันคืออะไรแต่เราเปิดเข้าไปเนี่ยเรารู้ว่าเป็นอะไรเราจะไม่อยากได้สแสดงมันแสดงว่ า, วาที่อยากนะเพราะไม่รู้แต่พอรู้ขึ้นมามันก็หยุดอยากหรืออย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเดินไปก็เจอคนด่าเราก็โกรธ แสดงว่าทําไมโกรธก็เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครเราทําไมจึงด่าเราพอ ม, มาคนมาบอกคนนี้มันบา้บาบา้บามันยืนด่าตุกวันตอนเช้าเราหายโกรธทําไมเพราะเรารู้ใช่ไมเพราะเรารู้เราจึงหายโกรธแสดงว่าทั้งโลภะทั้งโทสะเนี่ยมันมีโมหะหนุนอยู่โมหะก็คือความไม่รู้เนี่ย why จึงเป็นกิเลส ท, ที่แรงนะแล้วก็คลายชา้าตอนสุดท้ายของสังโยชนิส จะพูดมาตั้งนานแล้วหลายเดือนเนี่นะยังไม่จบก็คือตอนสุดท้ายคืออวิชชาตอนสุดท้ายรากของมันจริงๆคืออวิชชาเป็นที่มาของสรรพกิเลสทั้งหลายเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพวกวิชชาทิฏฐิอะไรที่แรงๆหรือแม้แต่การฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยฮะมันเกิดจากโทสะจริงอาการเป็นโทสะจริงในจริงมันมีโมหะที่แรงมากเลยถ้าโมหะไม่แรงฆ่าไม่ได้เนาต้องแรงมากวิชชาทิฏฐิ มิชาทิติสามอการไอไม่มิชาทิติแรงๆสามระการที่เคยบอกไว้บ่อยนะฮะเราก็เจอก็บ่อยเหมือนกันคือถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำถือว่าผลทั้งหลายไม่มาจากเหตเออุถือว่าบุญบาปไม่มีพ่อแม่ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีเอาวันก่อนเนี่ยก็ประชุมเจ้าคณะตำบล ท, ที่ที่ตึกสภาเนเจ้าคณะตำบลสายธรรมยุทธ์ทั่วประเทศ อาจารย์สุชีพท่านท่านมาอบรมและพระท่านถามเรื่องมิจฉาทิฏฐิสิบข้อที่เคยเล่าอยู่การให้งทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีการต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโรกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการทําดีทําชั่วไม่มีผลท่านรู้ดีรู้ชอบด้วยตัวเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามไม่มีโอสศัตที่ตายแล้วเกิดไม่มีเป็นความเห็นผิดสิประการเนี่ย พระอาารก็เกิดคล่องใจว่าไอ้โลกนี้ไม่มีเนี่ยมันไปเห็นได้ยังไงมันก็มีอยู่อะ่ะแต่อาจารย์ดูชีพอาจารไม่ได้ตอบนะฮะ ท, ท่านอาจารก็มาบอกมาให้ช่วยไปตอบคือคําว่าความเห็นเนที่ที่จริงมันพูดถึงความเห็นทั่วส า, ากรจักรวาลมันรวมไว้ทั้งหมดความเห็นทั่วส า, ากลจักรวาลเนี่ยพราะความเห็นว่าโลกนี้ไม่มีนะเป็นความเห็นของคนจากโลกอื่น ความเห็นว่าโลกอื่นไม่มีน่ะเป็นความเห็นจากคนในโลกนี้มันมันมันเลยเวลาท่านรวมในท่านรวมไว้ทั้งสิบข้อมันไม่ใช่ความเห็นเฉพาะคนในโลกมนุษย์เรานะฮะเพราะว่าในแง่ความจริงโลกสิ่งมีชีวิตไม่ได้มีอยู่เฉพาะโลกเรามันมีมีไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะฮะแต่ท่านก็รวมไว้ทั้งหมดก็เรียกว่าความเห็นในสากลจักรวาลมันผิดมันก็ผิดอยู่สิบเรื่องใหญ่ๆระดับศีลธรรมยัญญามันก็ผิดอยู่ตรงนี้ ตัวนี้ก็เป็นพวกโมฆะถ้าติดสักอันแล้วก็จบกันหมายความว่าที่ท่านเรียกว่าเป็นวัฏฏะขานุคือเป็นหลักต่อกับวัตฏะมันไม่มีโอกาสพัฒนานะครเพราะว่าปฏิเสธเหตุผลเนี่ยเรียนมันทําอะไรก็ไม่เห็นได้ทํางานมันทําอะไรไม่เห็นได้เลยมันก็ไม่ทําำตอนนั้นเองเพราะปฏิเสธตัวเหตุแล้วปฏิเสธผล คนเราที่รู้ว่าทำอะไรจะได้อะไรมันจึงทำถ้าไม่รู้เหตุไม่รู้ผลมันก็ไม่ทำาลยะฮนะนไม่ททีนี้ถ้าถามว่าเหตุเกิดในช่วงต่อไปเนี่ยสอนว่าถ้าก็ถามพวกนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรอย่าลืมเรื่องเชื้อนะเชื้อเนี่ยไม่ได้สอนตรงนี้เชื้อเนี่ยมันมั น, ม, นมันต้องมีเป็นฐานอยู่ก็เรียกว่ากามาธาต เชื้กามพยาบาทธาตุเชื้อพยาบาทโ ม, มหะธาตุเชื้อโมหะธาตุธาตุมันต้องมีเชื้ออยู่ภายในใจเราถ้าเราไม่มีเชื้อเนี่ยมัน ม, มันมันอารมณ์มันก็คืออารมณ์แต่นั้นเอง เ, อเราจะเห็นว่าอยากกินอยากดูอยากชมอยากลิ้มเนี่ยเราไม่ได้อยากหมดนะฮะเราไม่ได้อยากหมดมันก็อยู่ที่ว่าเรามีเชื้อความชอบอยู่หรือไม่ถ้าวคนเราโกรธคนเราไม่ได้โกรธทุกคนนี่ยไม่ได้โกรธทุกคนแต่ว่า คนเราเนี้ยเรามีเชื้อความโกรธอยู่หรือไม่มันต้องดูที่เชื้อด้วยยังที่เคยบอกว่าสมมติว่าคนเนียนะะคนหรือสิ่งของอะไรก็ตามที่เราเห็นครั้งแรกเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะไม่มีความยินดียินรา้เฉยเฉยเยที่ใ น, นเฉยเฉยเนี่ยมนุษย์นี่มันอยากรู้นะฮะก็เกิดสงสัยว่าเป็นใครอะไรต่ะไรจะจะมีการศึกษาและต่อจากนั้นเมื่อรู้แล้วเนี่ยจะเกิดยินดียินได จะเกิดชอบไม่ชอบจะเกินชอบไม่ชอบซึ่งมันก็เก็บอยู่ภายในใจผมเกิดแล้วเก็บภายในใจต่อมาอีกตั้งกี่เดือนไม่รู้เราก็เจอเขาหยิกมันก็จะมีความรู้สึกต่อคนนี้ตามความรู้สึกที่เป็นเชื้ออยู่ชอบหรือไม่ชอบพอเราเห็นปั๊บเราจะดีใจหรือเฉยๆหรื อ, ร อ, รอไม่พอใจไม่ยินดีนะฮะเรียกติวที่พระเจ้าใช้คำว่ายินดียินนัก ยินดร้ายนี่คอนข้างพูดยากนะฮะปัจจุบันเนี่ยคำว่ายินร้ายมันมันเป็นภาษาค่อนข้างโบราณไปหน่อยนะมันก็สื่อกันไม่ค่อยได้ชอบไม่ชอบนะฮะรู้สึกว่าชอบไม่ชอบมันน่าจะง่ายกว่าน่าจะพูดง่ายกว่า mm hmm. กิเลสประเภทประเภทโลภหรือประเภทราคษาเนี่นยต้องใช้คำว่ามันเกิดจากสุพาพนิมิตคือเราไปมองว่ามันสวยงาม เราก็กำหนดตัวเองคึ่งการกําหนดเนี่ยหมายความว่าถ้าเราไม่มีเชื้ออย่าง่ๆ อ, อย่างว่าพระพุทธเจ้าเองถ้าไปเห็นรูปสวยงามานะครับก็เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่มีเชื้อกิเลสมันถูกทําลายไปหมดแล้วปัญสิ่งเหล่านี้มันก็มันก็สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วมันก็นน ก, ก, ก, ก, ก็ก็คือสิ่งนั้นเองไงก็คือสิ่งนั้นเองก็เรียกว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าสิ่งสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ปรุง เมื่อใจไม่ปรุงมันก็จบแต่ว่าใจสา ม, มัญชนเนี่ยก็พอเห็นรูปแล้วมันก็มีการกําหนดถ้าสวยเราก็อยากได้ไพร้องเราก็อยากฟังหอมเราก็อยากดมอร่อยเราก็อยากกินนะน่าจับต้องเราก็น่าจับต้องแต่ทีนี้ให้เองสังเกตว่าพวกนี้ไม่สา ก, กลน คนจึงไม่ชอบรูปเหมือนกันไม่ชอบฟังเสียงเหมือนกันไม่ชอบดงกลิ่นเหมือนกันไม่ชอบลิ้มรสเหมือนกันไม่ว่าอะไรจึงๆตรงนี้มันจะหลากหลายหมดเลยรูปก็ไม่รู้สักกี่เท่าไหร่รูปนะเสียงก็ไม่รู้เท่าไรเสียงกลิ่นก็ไม่รู้เท่าไรกลิ่นแต่มีคนชอบนะฮะแต่มีคนชอบแต่นั้นเลยเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากใจเขากําหนดต้นนี้การกําหนดมันก็อยู่ที่พื้นฐานอยู่ที่เชือ้ออยู่ที่ธาตุ คล้ายๆกับคนทางใต้ก็กินไตปลากินอะไรแกงส้มอะไรได้คนภาคกลางก็ชอบน้ำพริกคนภาคอีสานก็ชอบปลาก็มีเชื้ออยู่เยอะไปในใจเนี่ยมีเชื้ออยู่เยอะพอพอเห็นแล้วมันก็เกิดความชอบแล้แสดงว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญมากถ้าเราไม่มีเชือ้อพระพุทธเจ้าพระหรันท์ท่านได้ียว่าไม่มีเชือ้อบาปตัวไม่มีเชือ้อพอเห็นรูปหลังจากศัตรูแล้วก็จบกัน แต่ถ้าเรามองย้อนอดีตนะฮะย้อนอดีตเราเห็นว่าพระเจ้ า, าท่านท่านก็ตั้งกอเชื้อบัญจางลงไปเยอะเลยฮะเชื้อจางลงไปเยอะตั้งแต่ตั้งแต่ทรงพระเยาในทรงพระเยามาแล้วไม่ว่าโลภะ ร, ราคาโทสะโมหะนะมันมันมันก็จางไปเยอะเลยคือสามารถคิดอะไรที่คนอื่นเขาเขาไม่เคยคิดเนี่ยนะฮะสามารถคิดอะไรคิดจากที่ว่านี่เยียวยาอิกา อีกเนื้อไปหรือว่าคิดจากใบไม้คิดจากคนแก่คนเจ็บคนตายคิดจากนักบวชอะไรต่างๆก็คิดตัท่านได้หมาพ้าวตัวนี้เยอะไปนะแต่ว่าไม่มีใครคิดเองเจะชายสหทานก็คิดได้แสดงว่าปัญญาคือโมหะมันลดไปเยอะโมหะลดไปเยอะทําให้ท่านคิดได้เมื่อโมหะลดก็ทําให้โลภะโทสะก็ท่านก็ลดอิเตเมตตา มีแต่มองคนอย่างอย่างตอนแจกของที่พระเจ้าสุตตนะให้สาวสารับของขวัญแจกกันะฮะอันนี้ภาพภาพเตเรนได้ชัดว่าเด็กหนุ่มอายุสิบหกปีแจกของให้คนรุ่นเดียวกับตนเหมือนกับแจกเหมือนกับผู้ใหญ่แจกของเด็กนั่งแจกเฉยไม่ไม่ได้แสดงอะไรเลยนะนั่งแจกไปเฉยนั้นนั่นคือคือแสดงว่าคิรีประเภทราคามันลดลงไปเยอะ ก็มันก็เหมือนกับผาชน้าที่สกปุกไม่มากนะมันขาดง่ายขาดง่ายแต่สันนิมนเครือมันก็ยุ่งนิดหน่อยก็ขาดกันนานหน่อยกิเลสประเภทโลภะหรือราคะเกิดขึ้นเรากาหนดนะฮะใจกําหนดด้วยความกําหนัดใจกําหนดด้วยความสวยงามเราก็เกิดอยากได้ตราบใดที่ใจยังกําหนดอยู่ความอยากได้มันก็เกิดขึ้นได้ ที่พระเจ้าทรงปรารบตอนศัสรใูใหม่ๆว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี้เองคิดตัวเองคิดปรุงปรุงคิดนะฮะเจ้าคุณน้มเด็ชรังก拉าาันชัยก็ว่าคิดปรุงปรุงคิดคือเรามาปรุงขึ้นเองนะสร้างแล้วก็จินตนาการอะไรบางทีจินตนาการในเป็นตกเป็นตะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้ถ้าเราปรุงมากๆเนะี่ย ลองปรุงดูก็ได้นะปรุงเป็นผีก็ได้ไม่ต้องนอนนะนะคือเดียวก็ไม่ต้องนอนแล้วปรุงไปปรุงมาก็เกิดเป็นผีขึ้นมาเองโดยโดยโดยใจที่ปรุงอยากได้เคลิบเคลิบหลงไหลคลั่งคล้ายนะลักษณะคลั่งคล้ายเนี่ยเหมือนพระไภัยมณีที่คลั่งคล้ายรูปนางละเวงนะเป็นคนนะฮนะในความรู้สึกของพระอภัยมณีนี่ภาพนั้นคือคนเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันปรุงเอา ปรุงจากภาพปรุงปรุงปรุงปรุงปรุงก็เป็นจินตนาการสร้างภาพขึ้นภาย ใ, ในใจเป็นรูปของจิงนตนกานนการและจินตนาการเหล่านั้นเองมันก็เป็นรูปเป็นอุปาทานที่เราสร้างขึ <Ugh>. ้นนะฮะเป็นรูปที่สร้างขึ้นโดยอุปาทานอาจจะกลัวอาจจะรักอาจจะเพลิดเพลินอาจจะนั่งยิ้ม อ, อะไรแต่อะไรกันนั้นเป็นลักษณะที่เรียกว่ามีวัตถุกรารมมาจากข้างนอก แล้วใจก็ปรุงตามไปหรือบางทีบางทีอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่เราก็ปรุงเอาเองเพราะว่าภายในใจเราก็เก็บอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยสามารถปรุงได้สารพัดกิเลสประเภทโทสะหรือประเภทโกตะความโกรธไรกะตานะฮะสายโกรธเนี่ยมันเกิดจากปฏิฆานิมิตเรียกปฏิฆาสัญญาคือกำหนดรวไม่ดี มันเกิดจากขึ้นจากความกำหนดเอาเองนะฮะเช่นเช่นในเราเมื่อกี้ราคาก็เหมือนกันว่าคนเนี้ยเราเคยชอบอ๋อวันนี้ไม่ชอบแต่ล้วเขาก็ยังคนเดิมนะ่ะแต่เราเองฮะเจตใจเราเปลี่ยน <c oughs> ก็แสดงว่าใจเราปรุงอีกแนวหนึ่งนะเราไม่ชอบบางทีเราก็เฉยเฉยแต่ละโทรศัก็เหมือนกันนะมันกเกิดจากเราคิดเอาเองไอคนนี้ไม่ดีวันนี้ไม่ดีรูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีก็เหมือนเดิมไงนะ เราไปกําหนดเอาเองเนื่องจากเรากําหนดเราเองอคนนั้นมไม่เปลี่ยนแต่ว่าใจเราเปลี่ยนได้วันนี้เราโกรธเขาหรือว่าตอนเช้าเราโกรธตอนเที่ยงเราหายโกรธแล้วตอนเย็นเราก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วนี่แสดงว่าเป็นการปรุงเอาถ้าเป็นจริงมันมันก็ต้องโกรธตลอดถ้าเป็นจริงมันต้องรักตลอดถ้าเป็นจริงมันต้องโลภตลอดแต่ที่จริงไม่ไม่ใช่มันก็อยู่ที่การปรุงเอาตกลงว่าใจของคนนั้นเป็นตัว ก, กําหนดอารมณ์ กัวกำหนดความรุนแรงนะว่าจะแรงหรือไม่แรงเพิ่มไม่แรงก็ได้นะฮะปรุงไม่แรงก็ได้แต่หมายความว่าลดความรุนแรงลงไปก็ได้โมหะนั้นเกิดขึ้นจากการไม่คิดนะฮะไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ปัญญาปีนิพิจรารณาแล้วก็โ ง, ง่งงงายไปโดยไม่มอง ไม่มองให้เป็นระบบไม่มองให้เห็นตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าโวนตัดสินไปนะนตัดสินไปโดนเชื่อไปซึ่งว่าที่จริงก็ค่อนข้างจะจะแก้ยากนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นกิเลสประเภทใหญ่คนเราปัญญาเนี่ยมันก็น้อยอยู่ตลอดโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินเราก็ตัวเล็กนิดเดียวเป็นอนุเล็กๆอยู่ในโลกนี้เราจะรู้แจ้งโลกได้มันก็ยา ก, ก น, นะฮะ ไม่มีใครน้องจากพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูเพราะโอกาสที่จะหลงนี่มันมีเยอะเงื่อนไขปัจจัยต่างๆในสภาพสังคมยุคใหม่ยุคโลกร้ายพรมแดนนะโลกโลกานุวัตรนี่กำลังจะมีรัฐบาลโลกกำลังมีความคิดจะมีรัฐบาลโลกกล็มองแล้วก็น่าห่วงนะฮะเพราะว่า โลกที่ถูกชี้นำโดยสื่อสารมวลชนเนี่ยใครยึดลุมสื่อสารเอาไว้ได้มันก็ชนะไปครึ่งหนึ่งนะยุคนี้สามารถใช้อะไรเนี่ยใช้สื่อตัวนี้นะครับสร้างความสับสนสร้างความอะไรได้คือสร้างบวกก็ได้ลบ ก, ก็ได้นะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอภิญากตะตสิ่งที่เป็นกลางๆ ก, ก็อยู่ที่ว่าใครใช้สื่อตัวนี้ชีนําความคิดต่างๆขอ ง, งสังคมเราก็รับข่าวสารจากเขา เราขาดปัญญาแล้วเนี่ยโมหะมันเยอะนะฮะโมหะมันก็พร้อมจะเกิดโลภะโทสะเคยก็หลอกอีไ่ไงก็หลอกไปได้เรื่อยๆก็หลอกด้วยแฟกด้วยอะไรเนยฮะหลอกไปแฟกด้วยวิทยุด้วยโทรศัพท์เชื่อแล้วน ะ, ะคือคือคนไม่แปลกคือจะเชื่อก่อนแทนที่จะพินิจพิจาราก่อนจะเชื่อก่อนโดยไม่ได้ดูว่าคนนั้นควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนั้นแสดงในแสดงโมหะมันเยอะ ทีนี้เชื่ออย่างนั้นเขาก็ยัดเยียดให้โลกไปโกรดอยู่นะเพ ร, ราะทําไมจึงต้องยัดเยียดให้โลกไปโกรดให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแนวโฆษณาทั้งหลายนั้นจะยัดเยียดให้โลกแนวปลูกกระดุมนั้นจะยัดเยียดให้โกรดแล้วเราทั้งโลกทั้งกรดเนี่ยเราก็เป็นเครื่องมือเขาทั้งโลกทั้งโกรดนะฮะถ้าถูกคนอื่นก็ปลูกแล้วเนี่ยเราก็เป็นเครื่องมือเขาทั้งสองอย่าง ก็ยอดที่จให้โลภ ก, ก็วิ่งเข้าไปอันนี้ก็ลดสินค้าห้าสิบรนลด 70% ดปนแล้วก็วิ่งจอกๆไปซื้อเขาก็ได้เขาก็รวยไปยุให้โกรธเนี่ยจะแนวการปลูกกระดมทั้งหลายเนี่ยจะยุให้โกรธแต่ในขณะเดียวกันก็ลอดได้ผลประโยชน์คือต้องอยุให้โลภด้วยข้อมูลนั้นคนจะไม่รู้หรอกเพราะถูกชี้นำ เราจะเห็นว่าในอการปลูกระดมจะมีคนพูดอยู่ไม่กี่คนเป็นตัวเป็นตัวระดับนำพวกนี้เขาก็ <ๆ S 1> วางแผนเอาไว้พูดยังไงจะทํายังไงจะเชี ย, ยร์ยังไงสนับสนับยังไงก็ก็มีการวางเป็นจุดๆเอาไว้แล้วก็สนับสนุนเชียร์ตบมือโ ห, โหอะไรแต่ไรก็ว่าไปแต่เราก็ตายทั้งนั้นเลนะฮะเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้ก็ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ เพราะไรเพราะว่าเราเรามีโมหะเราขาดเราขาดโยนในสมนัติการเราเร า, เราไม่ค่อยคิดรอบคอบอะไรไคิดรอบคอบอะไรไ ม, มีข่าวอะไรเลยคนก็พูดวันเช่ามีการแจกแจกเกรดพญานาคน่นดาดูเลยเมื่อหลายปีที่แล้วอะไรไทยรัฐขยพรพญานาคที่แม่น้ำนั่าน <c oughs> คนกปแห่กันไปก็ก็ดีนะชาวบ้านได้ขายของ ก็ไปแล้วก็โรงแรมก็ได้มีคนพักร้านค้าก็มีคนซื้อนะไอ้รถมีรถอะไรต่ออะไรก็มี ก, ก็ได้ก็ได้ผู้โดยสารก็ดีฮะทำเงินแพรพ่สะพัดดีแต่ว่าก็เจ็บใจที่ว่าถูกหลอกกิถูกก็หลอกเพราะอะไรเพราะอายุนในศพนาฏิการทีนี้มามามองอีกมุมหนึ่งว่าจะดับในดับใต้อย่างไง มันเกิดจากความคิดทั้งหมดเห็นให้เราตระเตเกิดจากความคิดทั้งหมดเพราะงั้นถ้าจะดับมันก็คือตรงงานข้ามคล้ายๆกับดับร้อนก็ใช้เย็นเนี่ยนะฮะดับปื้นก็ใช้สว่างในส่วนกิเลสประเภทราคะประเภทโลภก็สรงสอนในรูปของอสุภสัญญาคือมองให้เห็นความไม่สวยไม่งาม ก็ระดับค่อนข้นางกรรมฐานนิดหน่อยนะฮะให้ความว่าให้มองว่าสิ่งทั้งหลายที่เราไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันตรงไหนที่น่าสวยนะ่าเอ้ยน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจเป็นเรื่องการปรุงการแต่งการประดับประดาเอาระยะสั้นๆเนี่ยนะฮะระยะสั้นๆในที่สุสสดมันก็คืนสู่สภาพเดิมคือคืน คืนสู่ความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลความน่าเกลียดเหมือนเดิมแนวการสอนในแนวของมหาสติปัฏฐานสูตรเราจะเห็นว่าพระเจ้าวางไว้ลําดับเรื่อยๆนะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะมองจากไหนมองจากลหมหายใจเข้าออกมองจากความเปลี่ยนแปลงกายบุตรทั้ง4ี่มองจากความเปลี่ยนแ ป, รงรททง 4, งปลแปงของกายบุตทั้งหลายย่อยร่างกายออกมาเป็นอาการสามสองผงผนทุกข์หนังคือแยกกันมาดูนะ แล้วกแยกร่างกายเป็นธาตุสีแยกเอาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟถ้ายังไม่เห็นก็ให้ดูซากศพต่างๆเพือจะ ถ, ถ, ถ่ายถอนผ่อนคลายความกหนักความเพลดเพลินในสิ่งทั้งหลายแต่ตรงนี้บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าให้มองในแง่ของความจำเป็นมีมากๆมันก็เดือดร้อนนะฮะไม่มีมันก็ไม่ได้ พอควบคุมในทิศทางของการสแสวงหาก็ให้ได้มาในทางที่ชอบที่ควรแนวศีลแนวสมาชีวะนะฮะแนวสมาชีวะระดับเรียกระดับสมาชีวะโทสะนั้นให้เจริญเมตตาเรียเมตตาเจโตวิมุตต์คือจิตมันหลุดพ้นจากโทสะโดยเมตตาอันนี้อันนี้เอาเอาใหญ่เลยหมายความถ้าท่าอย่างนั้นจริงๆในอย่างอย่างอืง่นก็เลิกพูดได้เลย เพราะอะไรเพราะว่าตัวเมตตาเนี่ยจะเป็นอัตโนมัติหมดจะเป็นอัตโนมัติหมดคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกันในห้องเนี่มันเย็นฉ่ำอย่างเงี้ยนะเราจะจุดไฟขึ้นมาจุดเทียนขึ้นมาอะไรต่ออะไรมันมันมัมันมันร้อนไม่ได้นะฮะเพราะว่าความเย็นมันท่วมทับอยู่เมตตาจิตที่มีเมตตาเนี่ยเป็นจิตที่มีพลังมันแก้ปัญหาได้หมดนะฮะ แล้วลองสักเกตสมมติคนนี้เราเมตตาเขาเนี่ยของเขารเราก็ไม่กล้าลงเกิดคู่ครองเขาเราไม่กล้าลงเกิดเราเราเมตตาเขาว่าเราสงสารเขาคู่ครองเขาก็เราไม่ลงเกิดพูดจากับเขาเราก็พูดจาดีๆกลัวเขาจะน้อยใจกลจะเสียใจมันไปมันเองหมดเลยนะมันไปเองหมดเลยทำเมตตาเจตโดยมุดแล้วมันไปลดหมดทั้งโลกทั้งกวงทั้งโลก เราพูดขึ้นแรงไงนะฮะพูดพูดขึ้นจิตหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสอำนาจโทสะในที่นี้พูดถึงอำนาจโทสะโดยเมตตาแต่อย่างที่บอกไว้วันก่อนว่าธรรมะแต่และข้อที่เขาเกิดเนี่ยเขาไม่ลดกิเลสตัวเดียวยหรอกเขาลดกิเลสโดยตรงก็โดยอ้อมนะกิเลสโดยตรงก็โดยอ้อมเพราะกิเลสเขาเกี่ยวเนื่องถึงกันนะคล้ายกับ จุดไฟในห้องนะฮะแสงสว่างมันก็ออกมาข้างนอกด้วยออกทางหน้าต่างด้วยออกทางอะไรด้วยมันก็คงไม่สว่างอีเฉพาะข้างในจิตใจเราก็เหมือนกันเมื่อเราจะเริญเมตตาจนเป็นเมตตาจ เ, เตาจตุลมุดแล้วเนี่ยมันมันเรื่องอื่นก็จบกันเลยโลภาโทสะโมหะก็ถูกกระจัดตามไปใจมันเย็นนะเริ่มจากเมตตา ก็ขจัดได้ทั้งโลภะคนที่เมตตาเราจึงให้อะไรเขาได้เห็นไหมฮะจึงให้อะไรเขาได้คนที่เราเมตตาเราจึงไม่โกรธเราจึงให้อภัย ไ, ได้เราจึงทนได้ไม่ถือสาความได้ ถ, ถ้าเรายังเมตตาเขาอยู่น ะ, ะแต่การเมตตาที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ย ม, มันต้องเขจัดความหลงได้หมายความว่าเราต้องเห็นคุณของเมตตาเห็นโทษของความโกรธแล้วก็เราจะเลิเมตตา โมหะมันเกิดขึ้นจากตรงท่รคือโยนในสมนนสิกันเอาเรื่องเหล่านั้นมาคิดเอาคิดได้มีเหตุมีผลให้มีระบบให้มีกฎเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ย น, นะเป็นเรื่องแปลกที่แรามาเองจะงงๆกันนีตอนตอนนี้ว่าทำไมมันศยศาสตร์มันมาแรงจังทรงเจ้าเข้าผีมาแรงกวนอิมมาแรงเอา้าพระพุทธเจ้าพระศรีอานอีลิละ อ่านแลว้วกากูดสันโถอยละอ่ะอ่าววัศีอ่านอันนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ร่างทรงมากันเยอะก่อนนยมบาลนะั่นนะ่ะยมะบาลนะ่มาไงตำรวจจับไปหงอยเลยยมบาลนะลงมาจุนจ้านเนี๋ยก็นั่งข้างล่างเนี่ททำอะไร ไ, นะไม่ทำงานตัวเองมันน่าจะจับยมบาลนะใส่คุกเลนะไม่หนีงานมาอยู่ในโลกมนุษย์ได้ไง อันนี้คือคือคนก็ไปตื่นเต้นไปเชือ่อเพราะเราเพราะเราไม่คิดโดยเหตุโดยผลไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลพวกนี้รวยทางนั้นนลยนะฮะลูกช้างรวยทางนั้นเนะี่ยไม่ใช่เจ้าพ่อกั บ, ก, บกับลูกช้างนะฮะลูกช้างรวยทนะเราไม่ได้มองโดยเหตุโดยผลว่าถ้าเขาช่วยได้เนี่ยนะฮะแต่วเขาช่วยอะไรได้แล้วแล้วธรรมะมันมีทําไมก็ขอเอา ขอเจ้าพ่อเอาเจ้าพ่อดนบรรดาให้เด้ๆไม่ต้องทำอะไรอย่างนั่งขอไปเรื่อยๆโลกอย่างนั้นมันมีจริงหรือเปล่ามันไม่มีหรอกคนเรานช่วยกันได้นะแต่ว่าช่วยกันในเรื่องในเรื่องบางเรื่องมันไม่ช่วยได้ทุกเรื่องหรอกแม่เจ้พ่อแม่เราเองนะท่านเกิดเรามาท่านก็ช่วยเราไม่ได้ทุกเรื่องไอ้พวกเรานั้นเป็นใครอยู่บาปโยมเอะไรเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นใครเขาอาจจะช่วยได้นะฮะแต่ว่า มันช่วยเรื่องอะไรช่วยจริงหรือเปล่าเราเอาไปพนวกกันเฉยๆหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเราช่วยเขานี่แน่เราไปหาเขาก็ได้ก็ได้แน่นอนเลยนะฮะเขานี่ได้แน่นอนลองดูดีว่าเราช่วยเขาหรือเขาช่วยเราก็นแนถ้าเราไม่ได้ตามที่ว่าเออนี่ทําผิดนี่เจ้าพ่อก็สั่งไปอย่างนั้นนี่เธอทําผิดจะไม่ได้แต่จริงเจ้าพ่อได้แล้วนะเจ้าพ่อได้เรียบร้อยแล้ว เราก็มาโทษตัวเองเมื่อพวกบอกหวยบวกเบิรนแหละเออแมาหลวงพอ่อ้บยมนดีจังเราตีผิดเองไงเราตีผิดเองไปหาหลวงพอ่อเองหลวงพ่อเลยได้เลยแหละนี่ก็คือก็คืออะไรก็คือเราไม่คิดโดยเหตุโดยผ ล, ลขาดหลักของโยนินสูบนันสิ ทีนี้พระอ า, าจารย์ท่านต้องการแสดงแต่ก็แปลกนะฮะคือท่านไปยกตัวอย่างเฉพาะราคาตัวเดียวตอนเล่าถึงความรุนแรงของราคาคมันแรงข้ามภพข้ามชาติตั้งสามสี่ภพชาตินะนะเรื่องนี้ที่จริงเคยเคยเคยพบในพระไตรปิฎไม่ใช่ในในธรรมบทเรื่องแตยโยชนคือคนสามกลุ่มที่พระเจ้าเล่าถึงบุพกรรมแต่ว่า พระอาจารย์นั้งก็ยกมาทีนี้เออพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งไปไปได้เสียกับ น, น้องกับสามีเรียกว่ากลัวความผิดจะปรากฏกระวางแผนให้สามีนะฮะไปไปสระผมสระผมด้วยผมมะขามป้อไม้มันสะไงน ก็สะด้วยด้วยมะขาป้อมเปลือกแอร์เลยผลมะขมป้อมนะเาว่าสผมไม่ทราบส า, สาได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าโบราณก็ษาผมก็แสดงว่ายุคนั้นนะก็าสระผมด้วยผลมะขาป้อมแล้วก็ให้น้องชายเนะี่ยไปแอบซุ่มอยู่วันนี้ปรก้มสะผมปก้มสระผมในใ น, ในแม่นมนะ้ำอ่ะก็ตัดคอขาดแต่สามีนี่ยเป็นคนซื้อรักพัญญา จิตมันกระหวดถึงพันญานะฮะพัญญาเป็นคนสั่งไปหามาขังป้ไาไม้สามีผมก็ใจก็รักพันญาผูกพันไว้าตายไปเกิดเป็นงูเขียวงูเขียวอยู่<ส>บนนั่นแหละที่บ้านนั่นก็ด้วยความปลูกพันในพันญาก็ลนลงอยู่ใกล้เคียงพัญญาพันญ า, าก็โกรธฆ่าตายเลยงูเขียวนั้นก็เกิดเป็นสุนัขสุนัขที่บ้านนั่นอีกอะ่ะก็ เวลาผู้หญิงคนนั้นไปไหนก็ตามต้อยต่อยอยเด็กมันก็ล้อนะฮะพ่านสุนัขออกแล้วผ่านนาฬิกออกแล้วแกก็โกรธก็จับหมาตัวเนี้ฆ่าตายหมาตัวเนี้ยมันก็ยังยังไม่รู้ยังปลูกพันธุ์จะเกิดเป็นลูกโคแกเป็นโคถึงเวลาก็ตามต้อยต่อย อ, อีกอะ่ะก็ถูกฆ่าตายอีก ใจยังผูกพันไปเกิดเป็นลูกเป็นลูกของวันยาเก่าเกิดเป็นงูนะฮะเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นโคแล้วเกิดเป็นลูกพอเกิดเป็นลูกเนี่ยมันมันก็บุญบารมีมันเกิดระลึกชาติได้พอเกิดระลึกชาติได้ก็พอเกิดมาแม่จะจับแม่อุ้มอุ้มไม่ได้ฮะตั้งตั้งแต่เกิดมาเลยแม่อุ้มไม่ได้อุ้มร้องอุ้มร้องใครอุ้มไม่ได้ปรากฏว่าตาเป็นคนอุ้มได้เจ้คนนึงตาเป็นคนอุ้มก็ ตาก็คืออะไรตาก็คือพ่อตานะพ่อตาในะชาติก่อนนะตาก็คือคนที่อุ้มได้แล้วก็โตกันมาจนถึงพูดได้นะพูดได้แล้วตาก็ถามเออหลานทําไมแม่อุ้มไม่ได้เลยแม่จับไม่ได้แบบร้องทุกทีเก้ ก, ก็เล่าคนนี้ไม่ใช่แม่แล้วก็เล่าให้ฟังชาติก่อ น, อนตาก็สลดใจนะลูกสาวตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ก็ตอนผ่ า, านพบชาติ ผู้ฆ่ามันทั้งสามชาติตนซ้อนๆนะนะสี่ชาติซ้อนน่ะแล้วก็สลดตูดๆในสังสารวัตรในสุดก็ออกเปิดผ้าพระพุทธเจ้าสองคนตาหลานนี่ยนะตาก็สลดใจนะสลดใจวอู้ทำไมมันทําบาปทำกรรมขนาดนี้ไอ้นี่ก็สลดใจในสังสารวัตรตัวเองมาเกิดทุกถูกฆ่าซ้อนๆซ้ๆกันสี่ชาติโดยอาศัยโดยอาศัยราคะเห็นไหมอาศัยราคะคือความกําหนัดความพอใจจิตใจ ทางทีคนเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเยื่อใยไม่มีความผุกปันอะไรแล้วก็ไปผูกพันไปเยื่อใยเขาในสุดก็ตัดสินใจปวดก็คงลึกซึ้งมากนะเห็นทุกข์ลึกซึ้งมากมันเป็นเพียงไม่นานก็บรรลุผลเป็นพระหันนั่นคือคือลักษณะท่านท่านต้องการสองให้ดูว่ามันคลายช้าตรอการให้ดูในประเด็นว่ามันคลายช้าราคะเนี่ยมันคลายช้า ความเยื่อใยผูกพันที่อยู่ในสมัยเป็นเป็นสามีอา้าวปัญญาถูกลวงฆ่าตัวเองไม่รู้อา้าวเกิดเป็นงูก็อย่าผูกพันอีกละเกิดเป็นงูทุกฆ่าอีกเกิดเป็นเกิดเป็นสุนัขอา้าวผูกพันอีกละเกิดเป็นเกิดเป็นโคยังผูกพันอยู่อีกครับนั่นคือลักษณะของของราคะโลภะนะฮะราคะโลภะเป็นกิเลส ท, ที่มีโทษน้อยแต่คลายชา้า เนแนวที่ท่านเรียกว่าบุเพสันนิวาสที่เคยเล่าเรื่องเรื่องกุมเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องโคศกเศรษฐีนะฮะถ้าเราถ้าเราลองดูชาติแล้วเนี่ยโคศกเศรษฐีกับพัญญาเนี่ยเมื่อก่อนมันโคศกเศรษฐีมันเป็นนายโกตุฮันิกแล้วก็เกิดหนีทุกข์ภัยสองคนสามีพรรดาแล้วก็เอาลูกมาแล้วก็ลูกตายระหว่างทางตัวเองก็ตาย ต, ตายก็เกิดเป็นสุนัข เกิด็นสุนัขล้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นโคสกะเทพบุตรแล้วก็ตายมาเกิดเป็นเป็นลูกของหญิงโสเภนีถูกชิงเจ็ดครั้งแล้วไม่ตายแต่ว่าตัวพัญญาต่อมานะฮะพันพันยา ก, ก็ก็ตายไปก็เกิดก็เกิดสองชาติเป็นแก่นนะแล้วก็ต่อมาก็เกิดเป็นลูกเศรษฐีในเชิงนบุตร แกไม่ได้เห็นหน้าโคศกแกได้ยินชื่อท่านเองได้ยินชื่อโศกมันเกิดความสเสน่หาอย่างแรงแล้วในสุดสองคนนี้ก็เป็นสามีปัญญาการในพระเจ้าทรงแสดงเรื่องบุเพันิวาสนั้นแสดงถึงว่ากิเลสประเภทนี้มันคลายช้ามากมันติดในสังสารวัฏลายเป็นรูปของบุเพันนิวาสแต่โทสา ก, ก็เหมือนกันนะฮะที่จริงมก็ติดติดในรูปที่ทําให้คนบางคนที่เราเห็นหน้าปั๊บก็ก็ไม่ชอบทันทีเหมือนกัน เป็นความพยาบาทเป็นความผูกพันนะเราจะเห็นว่าจิตจิตที่พอพอพอพอมันมันเกิดกลับนะฮะจากฆ่าในสมัยเป็นสามีนะเป็นงูเป็นสุนัขเป็นโคพอ ม, มาถึงเป็นคนมันเกิดโทสะเลยนะฮะเกิดเป็นคนเี่เกิดโทสะทํำไมโทสะเพราะรู้ว่านี่คือศัตรูโทสะแรงแรงนะฮะแม่ยังจับไม่ได้เลยยังอุ้มกันไม่ได้เหมือนกัน ยังถูกต้องไม่ได้จับไม่ได้นี้ก็คือก็คื อ, คอ ล, ลักษณะของของกิเลสโลภะโทสะโมหะที่ทรงแสดงในแง่ของความเป็นโทษว่ากิเลสประเภทโลภะราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่ว่าคลายยากมากคลายช้ากิเลสประเภทโทสะก็มีโทษโทษมากนะฮะแต่ว่าคลายได้เร็วแต่เทียบกันฮ ะ, ฮะเทียบเทียบเทียบแต่อย่าลืมว่าคนเราบางทีพยาบาทแรงจังกันนะฮะ ข้าพภพข้ามชาติเป็นการอย่างพระเทวทัตที่จองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยเป็นเสดวะบาลนิแล้วก็ข้ามภพข้ามชาติในชาดกนี่มีห้าสิบแปดชาติฮะที่พระเทวทัตจองล้างจองผลาญกับพระพุทธเจ้าแต่คงไม่ใช่ห้าสิแปดชาติหรอกเพียงเด่นที่นํามาเล่าไว้ในห้าสิบแปดชาติชาดกมันมีทั้งหมดมาห้าร้อยห้าสิบเรื่องที่มีพระเทวทัตมาเกิดร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าเนี่ยห้าสิบปดเรื่องแล้วก็เบียดเบียนมาตลอด วันกิเลสจึงทรงแสดงในรูปของโทษแล้วก็ปวดหวัดกลัวก็ทรงสอนในแนวงการงดเว้นดังกล่าววันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูตรในธรรมจงมีแต่ท่านสาวชนทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านถืน